สิบโยคะสูตรว่าด้วยโยคะสิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้โยคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กามโยคะสองภวะโยคะสามทิฏฐิโยคะสี่อวิชายโยคะกามโยคะเป็นอย่างไร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 ความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความติดเพราะกามความอยากเพราะการรมเกิดขึ้นในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามโยคะกามโยคะเป็นอย่างนี้ภพระวโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดพบทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดพบทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบ ความเร่าร้อนเพราะพบความติดเพราะพบความอยากเพราะพบย่อมเกิดขึ้นในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภาวะโยคะกามโยคะและภวะโยคะเป็นอย่างนี้ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดทิฏฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดทิฏฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความติดเพราะทิฏฐิความอยากเพราะทิฏฐิเกิดขึ้นในทิฏฐิทั้งหลายนี้เรียกว่าทิฏฐิโยคะกรรมโยคะภวยโยคะและทิฏฐิโยคะเป็นอย่างนี้อวิชชายโยคะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัด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 และอวิชยาโยคะเป็นอย่างนี้บุคคลประกอบด้วยบาปอากุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้ไม่มีความเกษมปลอดจากโยคะภิกษุทั้งหลาย โยคะสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะ4ประการนี้ความพรากจากโยคะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ความพลากจากกามโยคะ 2. ความพลากจากภวโยคะ 3. ความพลากจากทิฏฐิโยคะ 4. ความพลากจากอวิชยาโยคะความพรากจากกามโยคะ เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดจากการมทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริง <ME> <KE> A, มเมื่อเขารู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดการมทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะการมความเพลิดเพลินเพราะการมความเยื่อใ่เพราะการม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 ความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความติดเพราะพบความอยากเพราะพบย่อมไม่เกิดขึ้นในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าความรากจากภวะโยคะความรากจากกามโยคะและความรากจากภวะโยคะเป็นอย่างนี้ความรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดทิฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดทิฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฐิความเยื่อใหญ่เพราะทิฐิ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 ความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ย่อมไม่เกิดขึ้นในภาษาสายตาะหกประการนี้เรียกว่าความพลากจากอวิชาโยคะความพลากจากการโยคะความพลากจากภวะโยคะความพลากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชาโยคะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้พลากจากบาปอากุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมอง ทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะสีประการนี้แลสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยกามโยคะภวาวโยคะทิฏฐิโยคะ และอวิชยาโยคะถึงชาติมรณะอยู่เป็นประจำย่อมไปสู่สังสารวัฏส่วนสัตว์เหล่าได้กำหนดรู้กามโยคะและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนทิฏฐิโยคะและคลายอวิชชาออกได้สัตว์เหล่านั้นย่อมพรากจากโยคะทั้งปวงล่วงพ้นโยคะเป็นมุนีโยคะสูตรที่สิบ จบพันธคามาวัคที่หนึ่งจบ